ท่านพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกญาโยมสาธุชนทุกท่านก่อนที่เราจะได้กล่าวคำบูชาลอยกระทงเป็นกิจลักษณะก็ขอปรารพบว่าในคำกล่าวคำบูชานั้นได้บอกว่าทำไมเราจึง ทำพิธีลอยกระทงการลอยกระทงเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรมีสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือการลอยกระทงตามฝั่งแม่น้ำเช่นแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อบูชา ร อ, อ ร, อรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาทาส่วนการลอยกระทงตรงนี้ที่วัดปยุรวงสาวาสเรียนแบบพิธีจองเปรียงในสมัยสุขโขทยัยมันมีสองอย่างเพราะฉะนั้นใครลอยกระทงตรงนี้ก็บูชา พระสารีริกธาตุของพระุทเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนลอยกระทงริมฝั่งแม่น้าําคงคาแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเป็นการลอยกระทงเพื่อบูชาลอยบาทพระศาสดาที่ริมฝั่งแม่น้ํานำมาทาฉะนั้นในคํากล่าวบูชาที่จะนำํำให้ท่านทั้งหลายได้บูชาก่อนลอย ที่หบเทียนหอมเนี่ยจะมีการระบุถึงสองที่ที่หนึ่งก็คือลอยพระบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนามาทาอีกที่หนึ่งก็คือการบูชาพระบรมสารีริกธาตุบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสองเรื่องเนี่ยมีประเพณีในประเทศไทยสืบมาแต่โบราณอย่างไรจะขอสรุปให้ฟัง เพื่อให้เกิดศรัทธาและเราก็จะได้ทำพิธีลอยกระทงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรเรื่องแรกก่อนลอยพระพุทธบาทที่ฝั่งแม่น้ำน้ำมาทานเนี่ยอยู่ในอินเดียเกิดจากเหตุการณ์ที่พระปุณณนะไปไปทูลอําลาพระพุทธเจ้าเพื่อ ไปโปรดชาวบ้านที่เมืองสุนาปรันตะที่เมืองสุนาปรันตะเนี่ยได้ข่าวว่าพระธรรมทูตไปก็ไม่ได้รับการต้อนรับเพราะชาวบ้านไม่นับถือพระและที่สุนาปรันตะชาวบ้านดุร้ายดีไม่ดีจะทาร้ายพระที่ไปด้วย ท่านปุณณะไปทูลลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าท่านปุณณนะทราบหรือไม่ว่าชาวบ้านสุนาปรันตะที่ชนบทเนี่ยดุร้ายและอาจจะทําร้ายเธอเธอไม่กลัวหรือท่านปุณณะตอบว่าไม่กลัวพระพุทธเจ้าค่ะและถ้าเธอไปพระพุทธเจ้าก็ถามต่อ ถ้าเธอไปโปรดไปเทศไปสอนแทนที่เขาจะฟังโดยดีเขาด่าเธอละ่ะด่าพระละ่ะเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่ามองแง่ดีคิดเชิงบวกคิดยังไงคือคิดว่าแค่ชาวบ้านเขาด่าก็ถือว่ายังดีนะดีที่เขาไม่ เอาก้อนอิดป่าหัวแค่ดาไม่เจ็บพระพุทธเจ้าก็ถามต่อถ้าเขาเอาเอาก้อนอิดป่าล่ะเวลากำลังเทศเนี่ยเขาเอาก้อนอิดป่ า, า, ก, า, า, ก, ออปาก็มองแง่ดีอีกคิดว่าเอาก้อนอิดป่ายังหลบทันนะยังดีนะดีกว่าเอาไม้มาตีเอาแล้วถ้าเอาไม้ตีเธอละ่ะ ก็มองแก่ดีอกีกเอาไม้มาตีก็ดีกว่าเอามีดมาฟันตีเนี่ยมันอาจจะเจ็บนะแต่ว่าเลือดไม่ออกแค่เอาไมาต้ตีดีก็เอามีดมาฟันถ้าเขาเอามีดฟันเธอละ่ะก็ดีเหมือนกันเอาดียังไงพระปุณณะ ก, กาธิบายว่าเอามีดฟันให้บาดเจ็บ ดีกว่าฟันให้เราตายพระพุทธเจ้าก็ถามต่อแล้วถ้าเขาเอามีดฟันเธอตายอะ่ะก็ยังดีดียังไงคือบางคนที่เบื่อชีวิตอยากตายป่วยจะแย่แล้วก็ไม่ได้ตายสักทีหนึ่งยังไม่หมดกรรมแต่ชาวบ้านมาสงเคราะห์ชาวบ้านสุนาปลันตะมาสงเคราะห์ให้เราจะได้พ้นเวรพ้นกรรมตายไป โดยไม่ต้องฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นสอบผ่านไปได้เธอไปเลยนะที่สุนาปรันตะชนบทไปโปรดชาวบ้านก็ไปท่านปุณนะหายไปพักใหญ่เลยนะเป็นปีเลยนะไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรไปโปรดชาวบ้านเนี่ยเป็นมิตรกับชาวบ้าน แต่ว่าคนที่มานับถือท่านเยอะๆเนี่ยกลายเป็นน้องชายน้องชายท่านปุณนะมีเพื่อนเป็นพ่อค้าวานิชเป็นพ่อค้าน้องชายเนี่ยหลายร้อยคนเลยนั่งเรือสมเภาไปค้าขายไปทางเรือไปเจอเกาะเกาะหนึ่งนะน้องชายกับเพื่อนพ่อค้าวานิชเนี่ยเรือสมเภา ไปเจอเกาะเกาะหนึ่งมีไม้จันแดงไม้จันหอมเนี่ยนะเยอะมากทั้งเกาะเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราตัดไม้จันไปขายไม้จันหอมเนี่ยเอาไปขายก็ตัดแล้วก็เอาลงเรือสำเภาเอาเรือสำเภาบรรทุกเพื่อกลับมาบ้านออกมาไม่ทันเท่าไหร่พายุมาพายุ เรียกว่าหมุนเลยแหละเรือทำท่าจะล่มนึกอะไรไม่ออกน้องชายก็ประกาศดังๆขอถึงพระพี่ชายเป็นที่พึ่งกันลวกันคุณพระช่วยขอให้พระพี่ชายช่วยด้วยพระปุณณะนะี่ยพอนึกถึงพระแล้วก็เห็นภาพเป็นพระพี่ชายเนี่ยอยู่ในเมฆเลยนะพายุสงบเลย พ่อค้าทั้งหลายนี่ขนลุกเลยนะที่ไปด้วยกันโอ้นี่อนุภาพหลวงพี่เธอนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆอย่าไปขายเลยไม้จันเนี่ยเอาไปถวายหลวงพี่เราขนไม้จันกลับไปที่ถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพยกถวายท่านปุณณะหมดเลยไม้จันหอมเนี่ยนะแล้วแต่ว่าท่านจะทําอะไรท่านปุณณะบอกงั้นพวกเธอหาช่างมานะ สร้างศาลาไม้จันหอมให้เสร็จเรียบร้อยสวยงามลองนึกถึงแค่ไม้จันอันเดียวนี่มันหอมขนาดไหนทั้งศาลาเลยอ่ะเป็นไม้จันหอมแล้วตั้งชื่อว่าจันทนาาะศาลาแปลว่าศาลาไม้จันลุงพี่จะอยู่ตรงนี้เหรอท่านปุณณะน้องชายถามลุงพี่ปุณณะ์จะอยู่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ ถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนที่อยู่พระเชตวันเนี่ยอยู่ที่พระคันท ก, กุตีกุติมีกลิ่นหอมทูบเทียนอะไรต่างๆมากมายเราสร้างศาลามไม้จันทหอมนี่ถวายพระพุทธเจ้าแล้วว่าแล้วพอสร้างเสร็จแล้วก็ส่งทูปไปนะนะส่งโยมไปนี้หมดพระพุทธเจ้ามามาเปิดฉลองศาลามไม้จันทหอม พระพุ้ดูเจ้ากับพระภิคโซมูใหญ่พอทราบข่าวว่าปุณณ์นี่ไม่ใช่จะไม่รอดชีวิตอย่างเดียวนะไปสอนเจ้าบ้านที่ดุร้ายนะยังเหลือรอดชีวิตอยู่เท่านั้นยังไม่พอทําให้คนทั้งหมดนับถือน่ะศักดิ์สิทธิ์และสร้างสลาไม้จันหอมสําเร็จพระพุ้ธูเจ้านึกว่าต้องไปเรียกว่าไปสนับสนุน กิจการของท่านปุณณนะท่านทำดีนะเป็นพระธรรมทูตยอดเยี่ยมก็เสด็จไปพร้อมกับพระมูใหญ่ไปประทับที่ศาลาเปิดศาลาฉลองศาลาเทศให้ชาวบ้านฟังมานับถือพุทธศาสนาจำนวนมากแล้วก็เสด็จกลับในระหว่างที่กลับเนี่ยไปที่ริมฝั่งไปขึ้นแล้วว่าต้องไปลงเรือนะ ที่ฝั่งแม่น้ำน้ำมาทาแม่น้ำน้ำมาทาก็อยู่ในเขตสุนาปรันต์ตะชนบทเนี่ยไกลปืนเที่ยงสัญจรด้วยทางเรือพอไปที่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำมาทามีพญานาคราชออกมาต้อนรับพระพุทธเจ้าเทศสอนพญานาคราชพญานาคราชศรัทธาแต่ว่าตัวเอง พญานาคนี่นะปกติถ้าบำเพ็ญศีลได้ดีเนี่ยไล่มนแปลงกายมาเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นที่มาฟังเนี่ยนะมีหน้าตาเป็นคนนี่แหละคนทั่วไปไม่รู้แต่พระเจ้าเนี่รู้ว่าเป็นพญานาคไล่มนให้ตัวเองเป็นพญานาคให้ตัวเองจากพญานาคมาเป็นคน และพญานาคเนี่ยที่ว่าร่ามนให้ตัวเองเป็นมนุษย์เนี่ยมีเรื่องบ่ยบอยๆในสมัยพระพุทธเจา้าเป็นเป็นพญานาคแล้วล่ายมนแล้วกลายเป็นมานพหนุ่มน้อยเนี่ยมาขอบวชเป็นพระก็มีนะไม่ทราบว่านั่งอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าพญานาคเกิดศรัทธานะ เราไม่อยากเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะทาบาปกินกินสัตว์เนะเป็นอาหารฆ่าสัตว์อย่างไรเสียชาติหน้าเราคงจะต้องตกนรกหมกไหมหรือว่าไปเกิดเป็นพญา น, นาคไปบวชเป็นพระดีกว่าก็เลยไล่มนเป็นมานพหนุ่มน้อยไปขอบวชนี่เล่าเล่ายงไปนะที่อื่นนะไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่แม่น้าน้ำมาทาพอดีนึกได้ พะบวชเป็นพระไปพักอยู่กุฏิ้ายวัดเลยพักอยู่กุฏิ้ายวัดแล้วไม่ยอมนอนออสังเกตนะพวกพญายนาคมาบวชนี่ไม่ยอมนอนเพราะอะไรเพราะถ้านอนหลับเมื่ อ, อไหร่เนี่ยมนเสื่อมมันจะกลับสู่สภาพเป็นพญายนาคทันที mm hmm. ก็เลยพอพระอยู่กันสององค์นี่พระจริงเนยเป็นคนเนี่ยองค์หนึ่ง พญานาคที่ปลอมมาเป็นพระอีกองค์หนึ่งอยู่ด้วยกันที่กุฏิท้ายวัดพอพระองค์นี้นอนหลับพระจริงนอนหลับเลยนะพระพญานาคที่ปลอมมาไปเดินจงกรมอยู่ไปดินจงกรมจนกระทั่งตีสามตีสี่พระเพื่อนกันเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ไปเดินจงกรมบ้างพระที่เป็นพญานาคปลอม ก็มาจำวัดทำไมต้องนอนสลับกันน่ะคำตอบนะเพื่ออาไปสังเกตเนื่องจากว่าใช้มนแปลงร่างนอนหลับเมื่อไหร่มนเสื่อมพญานาคที่ปลอมมาเป็นคนเนี่ยจะกลับร่างเดิมเป็นพญานาคทันทีเพราะฉะนั้นพญานาค ก, ก็รู้ตัวจึงไม่ยอมนอนตอนนั้นกับเพื่อนพระ ไปเดินจงกรมพอเพื่อนพระตื่นตัวเองกลับมานอนเป็นอย่างนี้ทุกคืนจนกระทั่งคืนหนึ่งจนกระทั่งคืนหนึ่งพระไปเดินจงกรมพญานาคที่เป็นปลอมมานอนหลับกลับสู่ร่างพญานาคพระองค์นั้นเนี่ยเกิดนึกยังไงไม่รู้กลับกุฏิก่อนกําหนดเวลา ซึ่งพยานาคปลอมเนี่ยกำหนดไว้ถ้าก่อนกลับจะตื่นแต่พระองค์ที่เป็นเพื่อนลูกกุฏิกลับมาเร็วมาถึงกุฏิเปิดประตูเข้าไปลองลั่นวัดเลยนะลองล่นแล้วก็วิ่งไปไปบอกพระอื่นๆงูงูใหญ่งูยักษ์หน้าขราชอะไรอย่างเงี้ยพระทั้งหลายก็ตื่นจุดไฟกันใหญ่ ครูกันมาที่กุฏิที่พระองค์นี้อยู่เปิดประตูเข้าไปไม่เห็นนาคาราดเห็นแต่พระที่ว่าปลอมมาเนี่ยนั่งพระเพียบเรียบร้อยอยู่องค์เดียวพระอื่นๆก็ถามพระอุปชาด้วยกันถามว่าคุณนี่มันเกิดอะไรอะ่ะร้องแลกแหกกระเชอลั่นวัด พระที่เห็นห น, านาคาราชก็บอกเมื่อกี้กับผมเปิดประตูมางูเต็มกุฏิเลยตัวใหญ่เบ้อเรื่อเลยนะนอนโคดอยู่นึกว่ามันกินเพื่อนผมไปแล้วเอาเพื่อนผมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยพระอุปชาก็เลยถามว่าถามที่พระน า, นาคาราชเนี่ยคุณนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณมานั่งอยู่ได้ยังไงมนัน น, น่าพญานาคไม่กินพระองค์นั้นสารภาพ ผมนี่แหละหนาคาราชครับไล่มนเบื่อเพศของความเป็นนาคราชไร่มนก็จึงกลายมาเป็นมานพน้อยแล้วก็มาบวชเพื่อทำบุญในพระศาสนาพระในวัดตกใจเลยโอ้โหพญา น, นาคมาอยู่กับเราแล้วเกิดมันเพี้ยนขึ้นมาไม่กินหมดวัดเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้อย่างนี้ต้องพาไปหาพระพุทธเจ้า สมัยโนย้นนี่คนซื่อนะ่ะแค่ถามว่าเป็นนาคคาราทหรือเปล่ารับสารภาพไม่ต้องตรวจดนะีเอนเอะเออรับสารภาพกันง่ายเลยพากันไปตอนไปนี่ก็ไปเป็นพระเนี่ยนะไม่ใช่เป็นพญานาคเลยไปนะไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วอุปชาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกศิษย์ข้าพรุทธเจ้าเนี่ยสัตว์วิหาริกเนี่ยเป็นพญานาคมาบวชพระพุทธเจ้าก็ถามว่า ทำไมพลอมมาบวชบอกเบื่อเพศเป็นพญานาคทําบาปเยอะมาบวชจะได้ขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าบอกเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานบวชไม่ได้กลับไปรักษาศีลในเพศพญานาค ก, ก็แล้วกันพระพุทธเจ้านีนมีเมตตาจิต ต, ต่อสัตว์เดรัจฉานต่อพญานาคเธอเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าบวชเลยกลับอ อ, ออกไปเป็นพญานาคเหมือนเดิมแล้วรักษาศีลเนาว เรื่องนี้ทำเป็นทาให้เป็นต้นบัญญัติพอพญานาคลาอําลาไปแล้วพระพุทธเจ้าเรียกประชุมสงฆ์เลยประชุมสงฆ์ทั้งวัดแล้วก็ประกาศว่าต่อไปนี้ห้ามบวชเดรฉ า, านเป็นสัตว์เดรฉ า, านห้ามบวชบวชไม่ได้ถ้าบวชเผลอบวชอย่างนี้ต้องนาสนะ คือให้ศึกนี่เรื่องนี้เป็นต้นบัญญัตินะเป็นเหตุให้บวชสัตว์เดรัจฉานไม่ได้หมูหมากาไก่บวชไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยผมจีวรกันเต้มไปแล้วเออไม่มีเพราะพระเจ้าฮารบเรื่องพยานนาปลอมมาเนี่ยห้ามบวชสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานบวชก็ไม่ได้ต้นไม้ก็บวชไม่ได้นะแต่ที่ไปทำทำเอาพระเหลืองไปพันเนี่ยก็พออนุโลมว่ากันคนตัดแต่ไม่ได้เป็นพระ ห้ามบวในในชสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นสุภาพบุรุษเวลามาบวชเนี่ยนะมาบวชเป็นพระเนี่ยจําได้ไหมพระคู่สวดเขาจะถามเขาเรียกสอบสอบสัมภาษณ์ก่อนสององค์เนี่ยจะไปถามประโยคแรกเลยเนี่ ย, ยประโยคที่ถามเนี่ยนะมันจะเอ่อเช่นถามว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ไหมแต่จะมีถามประโยคหนึ่งมนุษย์โสซิเป็นมนุษย์หรือเปล่า หน้าตาเนี่ยก็เหมือนมนุษย์อะนะแต่ต้องถามนะเพื่อจะเป็นพญานาคปลอมอ่ะเนี่ยนี่เป็นเหตุให้เราจะต้องถามอันตรายิกะธรรมมนุษย์โ ส, สิเป็นมนุษย์หรือเปล่ารวมความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมัยตรีจิตต่ตอพญานาคและพญานาคก็อยากบวชแต่บวชไม่ได้พอพระพุทธเจ้าไปโปรดที่ริมฝั่งแม่น้านำมาทาพญานาคก็บอกว่า อยากจะมีอะไรเป็นที่ระลึกของพระพุทธเจ้าหน่อยจะได้เตือนสติว่าอย่าไปกินสัตว์นู้นสัตว์นี้ตามภาษางูยักษ์ทั้งหลายบางทีมันหิวเนี่ยมันหน้ามืดนะแต่ถ้าได้อะไรที่เตือนสติจากพระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยจะได้เข้งคัดในศีลเป็นที่ระลึกถ้าพูดอย่างนี้สมัยนี้แจกเหรียญหลวงพ่อนาคไปแล้วเออโนดหลวงพ่อนาคองใหญ่ให้ไม่ได้ แต่แต่มีเหรียญหลวงพ่อนาคอยู่แจกหลวงพ่อพุทธนาคหรืออะไรก็ได้แต่สมัยนูน้นไม่มีพระพุทธรูปไม่มีเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจะมอบของที่ระลึกไว้ที่ชายหาดให้เธอได้กราบสการะตลอดไปชัว่วกาลปาวสารอะไรล่ะ เราจะประทับรอยบาทรอยเท้าเนี่ยลงที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนี้แหละคือแม่น้ำนามาธาปกติเนี่ยเวลาพระเจ้าเสด็จดำเนินไปไหนถ้าไม่อธิษฐานรอยเท้าจะลบหายไปแต่ถ้าพระเจ้าอธิษฐานจิตพระองค์มีฤทธ พอที่ฐานเจตว่ารอยนี้จงอยู่ช่วกกาลปาวสาสานถาวรเลยแล้วประทับลงไปเนี่ยอะไรก็อะไรก็ลบล้างไม่ได้รอยบาทรอยพุทธบาทจะอยู่ตรงนั้นตลอดกาลจากเรื่องนี้ทำให้ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนเวลาพบแม่น้ำเนี่ยก็จะต้องทรงใจไปไหว้รอยพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำ นำมาทาที่ว่านี้และก็เป็นเหตุให้ไม่ว่าคนอินเดียคนไทยหรืออะไรก็ตามเวลาจะบูชาลอยพุทธบาทเราก็ทํากระทงเป็นรูปดอกบัวมีเทียนมีทูบลอยไปเพื่อบูชาจากแม่น้ําสู่มหาสมุทรไปมหาสมุทรอินเดียเข้าเป็นแม่น้ำน้มาทานะี่ยนะบูชาลอยพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ํานำมาทา เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครไปริมฝั่งแม่น้ำาจรพยายาลอยกระทงไปก็อธิษฐานนึกถึงรอยพุทธบาทที่พระเจ้าประทับริมฝั่งแม่น้ำนมาทาในโอกาสที่ไปโปรดท่านปุณณะนี่คือเรื่องที่หนึ่งแล้วถ้ามาสะตรงนี้ล่ะมาสะตรงนี้เป็นประเพณีในสมัยสุขโขทยัยเรียกว่าพิธี จองเปลียงคือเอาโคมเนี่ยทำด้วยเปรียงคือน้ํามันจากข้อวัวในสมัยโบราณมันไม่มีน้ํามันปิโตเรเลียมอย่างสมัยนี้เอาไขข้อวัวเนี่ยมาทําน้ํามันเราเรียกว่าเปลียงทําน้ํามันจุดโคมเป็นโคมลอยนะนางนพมาเนี่ยทําโคมลอยเป็นลูกดอก บ, บัว ในภาคเหนือทุกวันนี้เนี่ยถ้าตอนนี้เลยนะเขาจะปล่อยโคมใช่ไหมลอยขึ้นแต่ห้ามปล่อยลิมสนามบิน เ, เขาห้ามนะในกรุงเทพก็อันตรายนะปล่อยเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงบางวันบางปนะีมาลงกุฏิจเจ้าวาดนะ่ะเออเก็บได้มันขึ้นไปแล้วมันก็โฉบไปโฉบมาเขาจะนั้นเขาเป็นนิยมแต่ในสมัยสุขโขทัยเนี่ย และใครไปสุขโขทัยสมัยนี้เขาจะมีปล่อยโคมภาคเหนือก็ปล่อยโคมกันลอยขึ้นไปเป็นแถวเป็นแถวไปบูชาอะไรไม่ได้ไป บ, บูชาพุทธบาทริมฝั่งแม่น้ําน้ำมาทานะเพราะว่าอยู่บรดอยอ่ะดอยสุเทพอย่างเนี้ยมันจะเอาแม่น้ําตรงไหนกว่าจะลอยได้ไปถึงน้ำมาทานี่มันหลายเดือนเขาก็เลยคิดบอกขึ้นฟ้ากันแล้วกัน ในสมัยสุขโขทัยภาคเหนือเนี่ยนะสุขโขทัยก็อยู่ดังค่อนข้างไปทางเหนือสมัยนั้นอนาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรเชียงแสนเชียงรายพระขุนมังรายอถึงกันทีนี้ในสมัยพ่อขุนนางคำแหงมีพิธีปล่อยโคมลอยเพื่ออะไระใครปล่อยอะไรขึ้นไปนะลูกโปงไม่เกี่ยวกันนะพระก่อว่าออไปบูชาพระ บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระสารีกุธาพระพุทธเจ้าทําไมขึ้นฟ้าล่ะก็เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานมีการถวายพระเพลิงพระศรีระศพพระบรมศพใช้ไม้จันเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าตอบพระอานนท์ว่าเวลาจะเผาประสาคตพุทธเจ้าเนี่ยให้ปฏิบัติเยี่ยงจั ก, กระพัด บรมสบของจั ก, กรพรรดิทำอย่างไรให้ทําอย่างนั้นหนึ่งในเรื่องนั้นคือใช้ไม้จันนะท่านไม้จันเนี่ยวัจนหอมเนี่ยนะเผาพระบรมศพของพระเจ้าโดยใช้ลางเหล็กหรือลงเหล็กเอาน้ํามันใส่เต็มเลยน้ํามันใส่เยอะเลยนะแล้วมีไม้จันท์ด้วยบรมสพก็ห่อผ้าหลายเป็นร้อยชั้นเลยนะหลายหลายชั้นมากจุ่มไปในน้ํามัน ในโรงโรงเหล็กเน่ยแล้วเอาไม้จันเนี่ยทับลงไปจุดไฟขึ้นมาท่านความร้อนสูงมากเมื่อความร้อนสูงมากเนี่ยและบวกกับการอธิษฐานของพระหันทั้งหลายอัฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตกผลึกเราก็ได้ทราบตามประวัติว่ามีการเก็บพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าเรียกว่าบรมสารีนิ迦ธาตุเก็บไว้เยอะเลย แล้วแบ่งออกเป็นแปดส่วนเพราะกษัตริย์ที่เป็นลูกศิษย์พระเจ้าเนี่ยมาจากแดเมืองแย่งการจะลบกันจะลบแย่งอัฐีนี่นะยกทัพมาแล้วมาที่กุสินารานพระโทมีพรามคนหนึ่งชื่อโทนะพรามต้องขึ้นไปบนเชิงเทินนะเพราะอาธิีธาตอยู่ในเมืองักอัฐีธาตของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ในกำแพงเมืองกุซินารามาล้อมกันหมดเลยนะเอามาเอามาตอนแรกเนี่ยต่างคนก็อยากจะได้ได้คนเดียวด้วยไม่ยอมแบ่งกันจะลบแย่งชิงกันพระบรมสารีริกธาตุเป็นเหตุพราหมณ์ชื่อโทนนะปีนขึ้นไปบนกำแพงพูดดังลั่นเลยกษัตริย์ทุกพระองค์ต้องฟังจากแปดเมืองเนี่ยฟังโทนนะพราหมณ์ห้ามทัพ ทำไมต้องฟังเพราะพรามคนนี้เคยอยู่ตักกะศิลาเปิดสานักสอนวิชาปกครองกษัตริย์ทั้งหลายตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยไปเรียนกับพรามคนนี้อาจารย์จึงเป็นอาจารย์ไงไปยนเงืนไปพูดประโยคหนึ่งซึ่งกินใจมากทำให้กษัตริย์ทั้งหลายเลิกรบกันได้สติประโยคที่ว่า ท่านทั้งหลายพวกท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือเปล่าเป็นแล้วตลอดพระชนชีพของพระพุทธเจ้าเนะี่ยสอนอะไรสอนเรื่องสันติความสงบนัตติสันติปรังสุขังสุขใดไหนเล่าจะเท่าความสงบเป็นไม่มีพระาศาสดา พร่ำสอนเรื่องสันติภาพเรื่องความสงบนิพพานไปไม่ทันเลยเพิ่งเผากระดูกยังกองอยู่แล้วพวกลูกศิษย์อย่างพวกท่านเนี่ยทำไมไม่ทำตามคาสอนเรื่องสันติภาพเรื่องความสงบทำไมนอกครูยังไม่ทันเลยจะมารบกันเพื่อแย่งอัฐิ ของศาสดาที่สอนเรื่องสันติภาพเนี่ยมันไม่ดูตลกไปหน่อยเหรอืออาจารย์สอนเรื่องสันติลูกศิษย์มาลบกันทําลายสันติภาพเพราะอัธิธาต์ของอาจารย์ใช้ไม่ได้ถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติจึงจะชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคต ใช่ไหมทุกคนยอมเลยจริงเราเป็นลูกศิษย์เมื่อพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสันติเราต้องไม่ลบกันถ้างนั้นแบ่งกันเนแบ่งอัติธาตุของพระพุทธเจ้าแปดส่วนตามเมืองที่มาเนี่ยพรามเลยไม่ได้อะไรเลยแบ่งให้เขาหมดเลยตัวเองเสียดายอยากได้อยากได้แต่แบ่งไปแปส่วนแล้ว ก็ต้องทําตามคำพูดเหลือไปเห็นคือพระสาลีนิกธาธของพระพุทธเจ้าเนี่ยตามบันทึกของพระอัตกาถาจารย์คือครูบาอาจารย์ที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าร่วมงานพระบรมมณปเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอัฐิธาตของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีสองกลุ่มใหญ่กลุ่มที่หนึ่งแตกละเอียดหมด ชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่มีรูปทรงขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสารหักเท่าเท่ากับเมล็ดงาอีกส่วนหนึ่งจะมีรูปทรงรู้ด้วยว่าเป็นรูปอะไรมาจากส่วนไหนของอวัยวะของพระเจ้ามีเจ็ดชิ้นด้วยกันเจ็ดชิ้นนี่คืออะไรไหปราสองหน้าผากหนึ่ง สมชิ้นแลยนะอีกสชิ้นเป็นเขี่ยวเราเรียกว่าพระธาตุเขี่ยวแก้วเขี่ยวสี่เขี่ยวของพระเจ้าชั้นข้างล่างกลามข้างล่างข้างบนคล้ายฝาเนี่ยสปรากฏว่าในสี่เนี่ยมีใครเอาไปบ้างในสี่อย่างเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์สอง อยู่ในโลกมนุษย์สองโดยเมืองอที่ได้ไปเนี่ยมีสองแห่งในโลกมนุษย์อีกเขี่ยวหนึ่งพญานาคเอาไปพญานาคขราชที่วาเนี่ยใครใจะกราบตามลงไปในบาดาลแล้วชิ้นที่สามล่ะโทนพรผามจิกไปเออโทนพรามจิกเอาไปซ่อนไว้ในมวยผมซ่อนไว้ในมวยผม แล้วก็แบ่งสิไอ้ที่ตัวเองไม่เอาเนี่ยแบ่งเป็นแปดส่วนไม่ยุ่งเลยเนี่ยไว้ใจว่าฉันมีอยู่ของดีสุดใส่ไว้ในมวยผมของพรามแจกหมดเลยแต่ละเมืองพอได้ก็ยกทับกลับสิเอาไปกลับไปโทนับผามก็ะยิมยิ้มย่องพอกับไอ้ อ, อสมพรามเปิดมวยผมหายไปแล้วพระอินทร์จิกต่ออือ ในเรื่องเนี่ยนะพระอินทร์มาจิกเอาไปเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ไปไว้ที่ไหนท่านบนสวรรค์พระอินทร์อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์ได้สร้างเจดีย์จุฬามณีไว้ในเจดีย์จุฬามณีเนี่ยมีอะไรบ้างมีสองสิ่งหนึ่งเวลาที่พระสิท ธ, ธัตถะพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ย ตัดผมครั้งแรกเนี่ยนะไม่ได้ตกพื้นนะเพราะตัดมวยผมมาพระอินเอาพานทองมารองรับไปไว้ในเจดีจุรามณีพระเกศาธาตุของพระเจ้าหนึ่งนะสองเอาเขี้ยวแก้วที่เอาต่อมาจากโทนพราหมณ์เนี่ยไปไว้อีกพระทาเขี้ยวแก้วไปไว้ที่พระเจดีจุรามณี เพราะฉะนั้นใครก็ตามอยากจะไหวพระธาตุเขี้ยวแก้วในโลกมนุษย์มีสองที่อยู่ที่ไหนบ้างหนึ่งศรีลังกาวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วสองที่กรุงปักกิ่งสองที่แล้วอาจจะมีที่สามที่สี่ แล้วแต่ใครจะมีบันทึกว่าได้มาจากไหนแต่ที่ยอมรับกันตอนนี้มีสองที่แล้วอันที่สามอยู่ที่ไหนบาดานอันที่สี่อยู่ชั้นดาวดึงในเรื่องพระมาลัยพระมาลัยเนี่ยท่านได้ดอกบัวมาแปดกรรมเข้าชานถอดวิญญาณไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีไปเจอพระศรีอานซึ่งเป็นเทพบุตรชั้นดุสิต ลงมาที่ชั้นดาวดึงมาไหว้พระเจดีย์จุฬามณีจึงได้สัมภาษณ์กันไงว่าถ้าอยากจะเจอศาสนาพระศรีอานทํำยังไง พ, ไรพระมลัยถามเทพพบุตรพระศรีอานซึกยังมาเป็นพระเจ้าในอนาคตพระศรีอานตอบว่าให้ฟังเทพมหาชาติคาถาพันบูชาด้วยอย่างละพันเป็นเหตุให้เทพพระเวสสันดรเนี่ยโด่งดังต้องเทพกันสแสดงว่าเจดีย์จุฬามณีเนี่ยเป็นที่ชุมนุมของเทวดาทุก แห่งทุกชั้นต้องมาไหว้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสวรรค์เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตอบว่าพระเจดีย์จุฬามณีตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุมเมนยอดเขาพระสุมเมนเนี่ยอยู่แกนกลางของจักรวาล ตามจั ก, กรวาลวิทยาของพุทธและของพราหมณ์จั ก, กรวาลของเราเนี่ยมีภูเขาสูงที่สุดปัจจุบันก็คือหิมาลัยเนี่ยนะแต่อยู่แถวนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นสูงที่สุดเราไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่อยู่แถวนั้นน่ไปถึงสวรรค์เลยเขาพระสุมเมนแล้วรอบๆเขาพระสุมเมนจะมีทวีปสี่ทวีป ที่มนุษย์อยู่อาศัยอุตรกุรุทวีปปุพภวิเทหชมพูทวีปเป็นต้นเนี่นะชมพูทวีปคือเดียรุพรเจ้าประสูติที่ชมพูทวีปแสดงว่าละหวางอุตรากุรุชมพูทวีปและอื่นๆเนี่ยอีกสี่อันเนี่ยจะมีเขาพระสุมเมนอยู่ตรงตางจากพื้นที่เขาหิมาลัยเนี่ยนะหิมพ า, านเนี่ยจนยอดนี่ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึง เหนือสวรรค์ชั้นดาวดึงเหนือยอดพระสุมเมรเนี่ยเขาพระสุมเมรเนี่ยเป็นปราศาส์ภัยชยนของพระอินทร์และเจดีย์จุรามณีรอบๆเขาพระสุมเมรจะมีภูเขาเจ็ดยอดร้อมอยู่เรียกว่าสัตตะบริบัติแล้วใครจะเข้าไปที่เขาพระสุมเมรเนี่ยเพื่อไปขึ้นสวรรค์นเนี่ยต้อง ข้า ม, มะนาทีสีทันดอนที่ล้อมภูเขาอีกทีหนึ่งจึงจะขึ้นสวรรค์ฉั้นดาวดึงได้ข้ามนาทีสีทันดอนเป็นแม่น้ำเจ็ดสายล้อมเลยฉะนั้นใครก็ปรารถนาจะไปดาวดึงกันทั้งนั้นเพื่อไปไหว้พระท่าเขี่ยวแก้วของพระพุท ธ, ทธเจ้า ไปในยามที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้พอตายปุ๊บเขาจะเอาดอกไม้มัตราสังเสียบไว้เป็นดอกบัวบ้างอะไรบ้างเพื่อให้ผู้ตายเนี่ยนำดอกไม้เนี่ยข้ามนาีศรีธันดอนข้ามเขาสัตตะบริพันธ์ขึ้นไปถึงยอดเขาพระสุเมนขึ้นไปยอดเขาพระสุเมนไปไหวพระเจดียจุลามณี อยากรู้ว่าเขาพระสุเมนเป็นอย่างไรสตตะบริพันธ์เป็นอย่างไรไปดูสนามหลวงพระเมรุมาตพระเมรุมาตนั่นแหละจำลองเขาพระสุเมนพระบรมศพในหลวงราชการที่9ก่อนที่จะมอดไหมเนี่ยประดิษฐานบนเมนเมรุมาตแล้วมียอดสตตะบริพันธ์ล้อม ในวันที่ยี่สิบหกอัตมาขึ้นไปแล้วไปสวดที่สนามหลวงตอนที่แขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยฟังพระสังฆราชเทศเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็มีการขึ้นไปถวายดอกไม้จันสูงมากพระเมรุมาตรก็คือเขาพระสเมเณนที่ว่าเนี่ยจนถึงยอดเนี่ยนะห้าสิบเมตรความสูงถึงยอดเนยนะห้าสิบเมตร เจดีองค์นี้สูงกว่า60เมตรนะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนที่จะขึ้นไปบูชาพระสารีริกธาตุบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่พระเ ด, ดีจุลามณีเนี่ยมักจะต้องรอตอนสิน้นแต่คติสมัยสุขโขทยัยไม่ต้องรอปล่อยโคมลอยขึ้นไปจองเปรียงเนี่ยไปบูชาพระสารีริกธาตุ เขี้ยวแก้วบนเจดีย์จุฬามณีแล้วเจดีย์จุฬามณีเนี่ยเขาพระสุเมีนเป็นอย่างไรในไต่ภูมิพระล่วงในสมัยสุขโขทัยเนี่ยพระยาลิไทยท่านก็แต่งเอาไว้จะบอกลักษณะไว้หมดถ้าเราอยากจะดูไปที่เขาหมท่านเดินทะลุลวเหล็กไปจะเห็นเขาจำลอง นี่คือเขาพระสุเมนบนยอดจะมีเจดีสีทองเล็กๆอยู่นั่นคือเจดีจุลามณีรอบๆจะมีแม่น้ำล้อมอยู่ณทนะีสีถันดอนเป็นวัดเดียวที่มีการจำลองเขาพระสุเมนสมบูรณ์แบบใหญ่ที่สุดสวยที่สุด สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บูรณะด้วยงบประมาณ40ล้านบาทเสร็จไป2สองปีแล้วสมเด็จพระเทพพระ ร, ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเปิดหลังจากบูรณะทรงให้บูรณะเพิ่มอีกเสียงบเพิ่มอีก6ล้านบาทจนสาเร็จบริบูรณ์ตรัสว่าเพื่อให้เป็นแบบของภูเขาจำลองหรือเขาเมเขามอ หรือที่จริงก็คือเขาพระสุมเมรินจำลองเนี่ยที่วัดนี้ต้องมาดูที่วัดนี้เป็นแบบมีทั้งเขาจำลองพระสุมเมนมีทั้งสะนาทีสีธนดรซึ่งตอนนี้เต่ากับปราคายุดแล้วเหนื้อยอดมีเจดีสีทองนั่นคือจุฬามณีสร้างตอนที่สร้างวัดประยุน 2,371 ผู้สร้างวัดเนี่ย ได้ไอเดียมาจากไหนไปเข้าเฝ้ารัชการที่สามผู้สร้างวัดเป็นเจ้าพยาพระคลังว่าที่กลาโหมคุมทั้งกระทรวงคลังกลาโหมกรมท่าต่างประเทศหมดเจ้าพระยาพระคลังดิดบุญนาคต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุยละวงศ์ไปทูเลเรื่องสร้างวัดไปเฝ้ารัชการที่สามรัชการที่สามเนี่ยถ้าใครจะ เข้าเฝ้าต้องสร้างวัดจะคุยนานสนทนานานมากโปรดผู้สร้างวัดจนกระทั่งนักกวีชื่อนายมีเนี่ยได้แต่งกรอนถึงราชการเรื่องราชการที่สามมีความตอนหนึ่งว่าทูลเรื่องใดก็ไม่ชื่นเหมือนเรื่องวัดเฝ้าแต่ตรัสถามไทยให้ฝ่ายฝันถึงวัดนั้น วัดนี้วัดนั้นเป็นนิรันด์ถึงเรื่องปัน้นเรื่องถากสลักกึงใครจะให้โปรดต้องสร้างวัดเจ้าพระยาพระครังสร้างวัดประยุนก็ไปทูลทรงพอพระทัยสเสด็จเข้าไปในห้องสงห้องอาบน้ำมานะยกของมาชิ้นหนึ่งส่งให้เลยพระราชาทานให้เป็นอะไรรู้ไหมในห้องสงเวลาเข้าไปในกลางคืนเนี่ยถือเทียนเข้าไปสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้า พอเข้าไปก็เอาเทียนปักไว้ปักสั่งส่องแสงสว่างครั้งมันก็ไม่จนดับมันก็เหลือน้ำตาเทียนที่ก้นแล้วก็เอาเทียนใหม่มาปักทับทๆๆทับเนี่ยท่านพูดกันขึ้นมานะเป็นน้ำเป็นน้าตาเทียนเป็นรูปภูเขาพอราชการที่สามส่งให้ปิ้งเลยนะเจ้าพยาพระขังได้ไอเดียเลย เอาไปสร้างเขาพระสุเมนที่วัดประยุทเราเรียกว่าเขามอในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีเจดีย์ทองอยู่บนยอดเหมือนกับใครจะขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยต้องข้ามนาทีสีท่านดอนต้องเหาะไปถึงพระเจดีย์จุฬามณีอยู่ไปอยู่มาโอยมันขึ้นยากเหลือเกินเน่ยเจดีย์จุฬามณีสีทองเนี่ยใครจะขึ้นไปไหว้ได้สร้างองค์ใหญ่เลย ทรงเดียวกันเลยให้คนขึ้นได้นั่นคือพระบรมธาตุมหาเจดีย์องค์นี้สีขาวเนี่ยมีตรายูเนสโก้ด้วยนะเนี่ยได้รางวัลอันดับหนึ่งยูเนสโก้หลังจากการบูรณนะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุนี้ไม่ใช่พระธาตุเขียวแก้วแต่เป็นพระสารีริกธาตุที่ แเมืองเนี่ยได้ไปเอาไปไว้ในเจดีต่างๆต่อมาพระเจ้าอาโศกมหาราชตีอินเดียทั้งหมดรวมเป็นแผ่นดินเดียวยึดเอามารวมไว้ในเมืองปาตลีบุตรและจากปาตลีบุตรนี่แหละสร้างวัดต่างๆ 84%,00 มวัดส่งไปในที่ต่างๆได้หลงเหลือมาเมื่อค้นพบที่อินเดียในสมัยรัชการที่5้าส่งมาที่ประเทศไทยไปไว้ที่ภูเขาทอง และผู้ไปรับเรียกเอาอกไปจากตระกูลบุญนาคเนี่ยมีจารึกไว้ว่าประดิษฐานไว้ที่องค์นี้ในสมัยรัชกาลที่5จารึกเป็นกระดานชนวนอยู่ในในพิพิธภัณฑ์ประดิษฐานพระบรมส า, ารีริกธาตุในปี2450ราัชกาลที่หสวรรคตในปี2 4งพเพราะฉะนั้นนี่ประดิษฐานภาษาลิขิตธาตุตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ห เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่โทนราล์มแบ่งออกเป็น8ส่วนไปรวมกันอยู่ที่ปา ร, ริบุตรในสมัยพระเจ้าอาโศกพระเจ้าอาโศกส่งไปสีลังกาส่งไปบรรจุไว้ถ้วยเดียและค้นพบในสมัยราชการที่5โดยฝรั่งชาวอังกฤษก็นำมาถวายที่ประเทศไทยราชการที่5ก็แบ่งไปในที่ต่างๆหนึ่งในผู้เป็นทูตไปก็ไปจากสกุลบุญนาคผู้สร้างวัดปสายสกุลบุญนาค ที่สร้างวัดประยูดก็เป็นเหตุให้เราได้ค้นพบพระสารีริกธาตุในปี 2,549 ไอ้ 2,550 นะพ้นปี49ก็ 2,550 ก็เอามาไว้อยู่ในพระวิหารบ้างและส่วนหนึ่งสมเด็จพระเทพพระ ร, ราชสุดาอัญเชิญกลับไปไว้ข้างบนเป็นพระสารีริกธาตุให้คนกราบไหวบูชาเสมือนหนึ่ง พระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์จำลองมาไว้ตรงนี้พระสารีนิกท่าของพระเจ้านั้นเหมือนตัวแทนพระธาตุเขี้ยวแก้วของพระเจ้าไปไว้ในพระเจดีย์นี้ในสมัยสุขโขทัยกว่าจะได้บูชาพระสารีดิกท่าสมัยนู้นยังหาไม่พบต้องลอยโคมในพิธีจองเปลี่ยงขึ้นฟ้าไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่มาที่วัดประยุรวงศาวาส ไม่ต้องไกลขนาดนั้นลอยกระทงทูบเทียนหอมตรงนี้ล้อมรอบพระบรมสารีริกธาตุที่เราค้นพบเนี่ยที่ไม่ได้เอาขึ้นไปไว้ก็อัญเชิญมาไว้อยู่กลางสระน้ำนั่นแหละที่เห็นน่และเราก็ส่งใจไปถึงพระพุทธเจ้าส่งใจไปถึงพระธาตุเขียวแก้วบนพระเจดีย์จุฬามณีส่งใจไปถึงพระสารีริกธาตุบนพระเจดีย์องนี้ เราก็เท่ากับบูชาพระพุทธเจ้าต่อเบื้องพระพักของพระองค์ท้าวสกกะเทวราชได้กล่าวเป็นคาถาไว้ในซึ่งได้บันทึกไว้ว่าติดขันเตนิพุเตวาปิสเมจิตเตสมังพลังไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนชีพอยู่หรือพร ะ, พระเสด็จดับขันประนิพานแล้วก็ตาม ถ้าจิตเสมอกันผลแห่งการบูชาย่อมเสมอคือเท่ากันสเมจิตเตสมังพลังเราบูชาพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสารีริกธาตุเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ประทับอยู่เบื้องหน้าเราขอพรพระองค์บุญกุศลเท่ากันสมเมจิตเตสมังพลังเพราะฉะนั้นวันนี้วัดประยุรวงศาวาสได้จัดโอกาสให้ท่านทั้งหลายโดยร่วมกับ ทางาไทยเบบเอร์เรจจำกัดทางทศภาคและอื่นๆมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการด้วยจิตเจตนาที่เสมอกันเหมือนหนึ่งว่าพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ด้วยการลอยประทีปบูชาพระสาลีลิกธาตุบนพระเจดีย์อันเหมือนกับพระเจดีย์จุฬามณี และส่งใจไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีพระเจดีย์จุรามณีอยู่ด้วยและผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยไปแล้วเราได้ส่งเสด็จไปแล้วที่สนามหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้พร้อมใจกันอุทิตถวายเป็นพระราชจุกศรณบัตรนี้พร้อมกัน ด้วยการตั้งกระยาณาจิตอธิษฐานอ้างบุญกุศลทั้งปวงที่เกิดจากการบูชาด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าพุทธองค์จะทรงพระชนชีพอยู่หรือเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วกระตามความเลื่อมใสศรัทธามิได้เปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจแห่งการบูชาที่มั่นคงนี้ ย่อมได้บุญกุศลมหาศาลขออำนาจเทกบุญกุศลนี้ทั้งปวงจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิพถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรขอได้ทรงโปรดอนุโมทนาเพื่อเพิ่มบารมีธรรม ยิ่งยิ่งขึ้นแด่พระองค์ท่านในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารบของเราท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งบุญกุศลทั้งปวงนี้ขอถวายเป็นพระพรนัชยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวารางกูลที่มีพระมหากรุณาโปรดพระราชทานกรถินพระราชทานมาทอดถวาย ที่วัดปยุระวงสาวาตวรริหารในวันนี้ขอให้พระองค์ทรงพร ะ, กะเกษมสำราญเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการสถิตมั่นในมหายสวรรค์เพื่อเป็นพระมิ่งขวัญปกก้าปกกล้าปกาปกระหม่อมของพระศกนิกรชาวไทยตลอดจจริทธิติการอนหนึ่งบุตกุศลทั้งปวงนี้พร้อมทั้งบา ร, รมีธรรม แห่งพระเจ้ายูหัวสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรามินทรพมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้ายูหัวจงเป็นปฏิพรอํานวยปฏิพรนย้อนสนองให้ทุกท่านทุกรูปทุกคนเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตถวันตรายทั้งปวงเจริญยิ่งขึ้นด้วยอายุวันณนะสุขะพละ ปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปราถนานั้นจงพลันสาเร็จจงพลันสาเร็จจงพลันสาเร็จสมโนโรถมุ่งมาดปราถนาทุก ป, ประการตลอดกาลและนานเทินสาธุสาธุ สาธุอนุโมทาม